ขอการันตีอนยอยุยาโยมทุกคนนี่จากที่หลวงพ่อสังเกตนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราดูการคุยการพูดของแต่ละคนโอเคก็ถือว่า <c oughs> เป็นผู้ที่ฝ่ายในธรรมเนาะเรียนรู้ศึกษา แต่ว่าลักษณะการพูดเนี่ยน้อยคนที่จะพูดเรื่องความรู้สึกตัวคือจะเอาตัวเราเนี่ยมีความรู้อย่างไงก็เอาตัวเรามาพูดความรู้ที่ที่เรามีเนาะแต่ไม่ได้พูดเรื่องรู้เรามันมีแต่เรารู้ออคุณหลวงพ่อก็เห็นจุดจุดตรงนี้ว่าการที่ถ้าเราไม่ได้พูดในเรื่องของอสติปัฏฐานเนี่ยมันทําให้เราลืมตัวแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวกระตุกกันบ่อยๆเอ่อเขาเรียกว่า ดึงกลับดึงกลับมาเนี่ยมันจะสร้างทําให้เกิดความรู้สึกตัวเป็นระยะเป็นระยะไปแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันได้แต่เป็นความเป็นความรู้แต่ก็ไม่รู้ตัวว่าอั น, นั้นยังเป็นความรู้ของเราแต่ไม่รู้ว่าไอเราที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่สังขารเนาะมีแต่ความปรุงแต่แล้วก็เกิดเกิดดับๆตรงนี้ที่เป็นมันคือมันไปเขาเรียกว่ามันไปตันในเบื้องปลาย การยังไง น, นะสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยกําลังสมมติว่าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะสมมติ่าหลวงพ่อเรียนธรรมมาเยอะจนาสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของตจลักษณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็อธิบายโยมสมมตินะอธิบายอย่างละเอียดและออถูกต้องหมดเลยถ้าอาจมารู้แค่เนี้อาจจะมาพ้นทุกข์ไม่ได้ยังโกรธยังโมโหได้ทั้งทั้งที่พูดถูกนะอ่เพราะอะไรเพราะว่ า, วามันเป็นความรู้ที่จากการได้เรียนแต่ไม่รู้ตัวเวลาอะไรเกิดขึ้นในตัว แต่เวลาพูดนะพูดถูกหมดแต่พออะไรกระทบนาวเสียงรรถกินเสียงกระทบหูลงมาสู่จิตเนี่ยรู้ไม่ทันอย่างเนี้เท่ากับว่าท่ายัางไม่รู้ตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันจึงเป็นแก่รธรรมะที่มันเหนือคําพูดมันเหนือปัญญาที่จากการอ่านจากการได้ยินจากการฟังแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนเลยเนี่ยบางทีก็หลวงพ่อเคสังเกตจากการคุยเนาะ อืมอันนี้มันเป็นเรื่องเรารู้นี่แต่ถ้าถูกต้องมันต้องรู้เราใช่เออทีนี้อย่างอย่างภาษาคําเนี้ยที่พวกเราอยู่ในห้องเนาะไม่รู้ฟังเข้าใจไหมเช่นเรารู้กับรู้เราอะมันไม่เหมือนกันนะเออผมก็จะยกเออเรารู้เนี่ยเออยกตัวอย่างนะอย่างเรารู้นะที่เรายกตัวอย่างบ่อยๆนะที่เมื่อก็เคยบอกว่าเออเข้ามาในห้องว่างเนาะแล้วก็มีนายดำนายเขียวนายแดงนั่งอยู่เขารอเราอยู่แหละพอเราเข้าไปปั๊บ เราเนี่ยก็จะเห็นในดำในเขียวในแดงอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเห็นหรือว่าเรารู้แต่ถ้ารู้เราเนี่คือมันกลับมารู้ที่ตัวเราด้วยว่าอ่าเราก็เข้าไปในห้ององ้างด้วยอย่างนี้ถ้าเรียกว่ารู้เราตรงเนี้โยมลองมองให้ดีนะว่าเรารู้คือเราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้เรามันกลับมารู้เราว่า <voiced. S 2> แต่นี้ก็เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งสิ่ ง, ง, งหนึ่งที่มีอยู่เหมือนกันไม่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้อง รู้เราให้ได้ทัก <coded> ่ <carbs> อนเนอะเมื่อเมื่อเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานตอนที่เขาเปิดห้องใหม่ๆตอนทุ่มทุ่มขึ้นเนอะก็มีมีโยมบางคนมาคุยเรื่องนี้แหละบอกว่าเออยังฝึกแล้วก็ยังไม่ช <Yeah. S 1> ัดยังอะไรเนี่ยก็ให้หลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมไงหลวงก็อธิบายเพิ่มเติมเพื่อยกตัวอย่างประกอบก็ดูนะทำท่าจะทําท่าจะรู้เราเป็นนิดๆหน่อยๆเนอะแต่บาง ก็หลวงพ่อเนี่ชอบนะคนที่ถามเนี่ยหลวงพ่อชอบมากเลยเพราะว่าเขาเขาเขาสงสัยก็ไม่เข้าใจไงแต่หลวงพ่อเขคือเหมือนกับจะให้เข้าใจตรงกันว่าเออยังไงยังไงอย่าเนาะใช่ค่ะชอตรงเนี้เพราะว่าที่วัดก็เหมือนกันนะถ้ามีญาติโยมมานั่งคุยเนี่ยหลวงพ่อคุยได้หมดเลยแล้วก็คุยคุยแบบยกตัวอย่างประกอบให้เขาเห็นตามไงเนาะยกตัวอย่างยกตัวอย่างประกอบเพราะว่าที่ประสบการณ์หลวงพ่อเนี่ยก็คือ ทำไมหลวงพ่อได้เข้าใจในธรรมะก็เพราะว่าผู้สอนเนี่ยมีความเก่งในการยกตัวอย่างประกอบแล้วมันเห็นภาพพอเห็นภาพเนี่ยมันเห็นไงมันเห็นเลยพอเห็นปั๊บเนี่ยเขเกิดเขาเรียก ว, ว่ามันเกิดดวงตาที่ที่เห็นเนาะเห็นตามความเป็นจริงในขณะที่เท่านท่านพูดท่านยกตัวอย่างอย่างเนี้ยแล้วก็ทําให้เข้าใจอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่มีการยกตัวอย่างมันเหมือนกับว่าเราม่โนโมดเลยเราจินตนาการซึ่งมันมันไม่ชัดเจน อย่างเช่นเนี่ยสมมติเราคุยกันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็คุยกับโยมหนุ่ยแล้วคนอื่นก็นั่งฟังเนาะขณะที่นั่งฟังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนึกคิดในทางอารมณ์เช่นเฮ้ยเราอยากจะพูดมั่งแล้วอ่ะทําไมไม่เห็นเราพูดนี่นี่เขคือต้องเห็นแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในจิตในใจเนาะสังเกตการเกิดขึ้นอ่าแล้วก็บางคนอาจจะออือเราก็พูดดีอาจจะมีความพอใจที่ได้ยินแต่ฟังเนี่ยเห็นไหมก็ความรู้สึกแต่ละคนในเวลาเดียวกันก็ไม่เหมือนกัน แต่การปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนก็ต้องดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตเนาะในจิตในคล้ายในใกล้อะไรเนี่ยสังเกตการเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่คงที่อยู่แล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างขัดใจบ้างเห็นด้วยบ้างก็ดูอาการเหล่าเนี้ยนี่ตรงเนี้ทําให้ไม่เนิ่นช้าแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ความจริงว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาแสดงเขาเรียกว่ามันเป็นพระธรรมนี่เป็นธรรมะแสดงให้ดูพระพุทธเจ้าที่ทําไมขอรบพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าพบสิ่งนี้ ว่าพระธรรมเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจตรัสรู้แล้วจึงมาพบความจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงเคารมพระธรรมหมดเลยเพราะนั้นอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนั่นแหละพระธรรมเขาแสดงให้ดูถึงความไม่เที่ยงหรือความทั้งอยู่ความดับไปความเป็นอนัตตาทั้งหมดอย่า ง, งานีมันจะทําให้เร็วเร็วตรงทีห<ม>ลวงพ่อว่าพระธรรมเนี่ยนะคะถ้าถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยหนูจะเข้าใจว่าพระธรรมเนี่ย นะคะอยู่ในเอ่อบทบัญยัติหรือว่าหนังสือหรือพระไตปรปิฎกเท่านั้นนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะหลวงพ่อพูดได้แล้วรู้สึกประทับใจตรงที่ว่าพระธรรมเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในหนังสือหรือคำสอนหรือบัญยัติอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ mm hmm. นะคะจริงๆพระธรรมก็คือธรรมชาติเนี่ยละค mm ่ะ hmm. <c oughs> ที่มันที่มันอยู่รอบตัวเราทุกอย่างเลยค่ะ นะคะนะคะเพราะว่าจากตอนเด็กๆหกนูเรียนว่าพระพุทธโอ้พระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคําสั่งสอนแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่ในพระไต้ปีดโดพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์เป็นเอ่อผู้ที่ดําเนินเอ่อต่อเนื่องเอ่อสืบต่อศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะนะคะได้ได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกโอ้ดีดีมากเลยนะค ะ, ะค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณแอคร์ครับที่เมื่อกี้ผมมาฟังพระอาจารย์ตั้งแต่ประมาณสิบปวนะครับแล้วก็มิสก็แลกแลกเปลี่ยนกันนะครับรก็คือเห็นเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยผมคิดว่าอย่างบางครั้งนะมันจะวัดกันได้ก็ต่อเมื่อเราเจอกับปัญหาใช่ไหมแต่ปัญหาในพุทธศาสนาเราก็คือทุกถึงเลยครับคือทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่มาอยู่ในห้องเนี่ยที่คุยกับพระอาจารย์เนี่ยคือเราต้องการพ้นทุกกันทางนั้นนะครับแล้ผมก็ คือว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามีความคิดผมนะครับว่าว่ามันจะค้นทุกในพ้นทุกเวลาเราเจอปัญหาใช่ไหมครับอย่งตัวรู้ที่าอาจารย์สอนเนี่ยสําหรับตัวผมนะครับปรากฏว่าเมื่อก่อนก็เรียนมาเยอะเมื่ีนั่งนั่งฟังน้องของผมผมก็อ่านมาเยอะลองปฏิบัติมาเยอะแต่เราไปเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วมันมันเอาไปสู้ไม่ได้ครับเหมือนดาบดาบที่เรามีมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับพอมาคุยกับอาจารย์ อ, อมันก็เกิดเหมือนที่พระอาจารย์พูดจริงว่าถ้าเกิดเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆไงครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าอ๋ออันนี้มันก็ไม่ใช่เราแล้วของปัญหาบางอย่างครับผมผมฟังผมเริ่มมาเจอสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยจากพระจากอาจารย์กำพลนะครับอาจารย์กำพลบุญทองบุญนุ่มใช่ไหครับที่เขาเป็นคนดีการแต่เสียชีวิตไปแล้วคี้ยค่ะผมมีอาจารย์กำพลเป็นไอดอเผมผมฟังครั้งแรก แต่ผมไม่ไม่ได้รู้เรื่องนะฮะผมดูว่าเอ๊ะทาไมคนที่การคนนี้ถึงไม่ทุกข์น้ําเสียงที่ออกมารู้สึกว่าท่านไม่ทุกข์เลยไงครับผมก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊ะท่านต้องมีแบบว่ามีอาจารย์มีอะไรก็เลยสืบออกมาเรื่อยๆจนมาเจอกับพระอาจารย์าอาจารย์แสนบาทนะครับมันจนถึงตรนเนีญญ้ยทาให้แบบว่าคือเหมือนผมก็ฟังมาเยอะนะครับฟังหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าคนมีปัญญาก็จะเห็นเอง แต่คนไม่มีปรรัญญาก็จะต้องให้คนอื่นชี้ให้อย่งตัวผมเนี่ยถ้าไม่ได้อาจารย์พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์แสน่าครับชี้ให้ผมก็ไม่เห็นนะครผมเห็นแต่ผมก็ไม่รู้จักว่ามันคือตัวรู้ เ, เข้าใจว่าการการเรียนนิมิตนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่<ช>ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆในห้องนี้หลายคนนะก็เป็นการเรียนนิมิตซึ่งกันและกันค<ห>รับแล้ว เมื่อเมื่อเรามาคุยกับเมื่อก่อนน่ะก่อนที่ผมจะมาสร้างให้ผมคิดว่าผมเป็นบ้าหรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะอยู่กับเอ๊ะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ทุกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเที่เราจะอยู่โลกนี้ไปทําไมผมมีคําถามกับตัวเองนะตื่นมาทุกเช้าว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาก็ต้องตายถึงวันที่มีคําถามแล้ ว, ว่าผู้นคนต้องตายแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเขาจะให้เราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรจนมาจนมาเจอพระอาจารย์ชี้ให้เห็นนะผมแบบ เริ่มประมวลผลจากสิ่งที่ที่ศึกษามาทั้งชีวิตนะครับว่าอ๋อสิ่งสิ่งนี้มันเกิดได้ปัจจุตันแล้วไม่จํากัดที่ไม่จํากัดเวลาผมมาเจอพระอาจารย์นีอันนี้เล่าเล่าสู่กั น, นังดีกว่านนะครับเนาะกําลังจะไปซื้อน้ำมันเครื่องครับแล้วก็พระอาจารย์โทรมาพอดีเลยตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่ามองออกไปข้างนอกเห็นอะไรผมก็มองออกไปข้างนอกเห็นต้นไม้ก็เข้าใจตอนที่แบบว่ากําลังขับรถแล้วก็ จอดรถแล้วก็ดูดปัญหาว่าอ๋อถึงว่าเ่าแม่ผู้ปกคองว่าไม่จํากัดที่ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดถ้าจะรู้ก็ได้ทุกที่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเข้าใจาอ๋อการปฏิบัติธรรมก็คือทุกสถานนะที่เรามีสตินี่เองอเอ้ครับก็ขอบคุณนะครับว่าที่อย่างน้อยเป็นกรณีมิติเขาเรียกว่าที่เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ที่เดินทางทำมาด้วยกันนี่ครับกว่าจะเจอก็ยากเหมือนกันนะครับผมว่าสี่สิบปีนี่กว่าจะเจอก็อ๋อ แต่ก็ก็ยังดีครัที่เจอครับกรณีเมื่อเช้าคุยกับน้องผู้ชายที่มาคุยกับอาจารย์ด้วยความที่ผมเล่นขับเขาไม่เป็นครับก็เคยไม่ดูว่าเออเรา ก, กดแล้วมันจะได้คุยตรนไหนเพราะดีพ่ะอาจารย์<ช>คือว่ารเราก็ดูจิต ด, ดูใจเราไประหว่างที่เรารอดูเขาบางทีมันก็อยากคุยนะที่บางทีมันก็ไม่คุยดีกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเกิดดับดับสลับกันไปครับใช่ค่ะเห็นว่ยิีได้ฟังว่าคือวันนั้นก็พูดตรงตรงนะเรา ยิ่งฝั่งน้องน้องเลยนิ่งก็ดูแลเอ้ยเราก็มีความคิดลบกับเขาแต่พอเราฟังไปเอ้าเขาเมื่อกี้พี่พี่อีกคนนึงเข้ามาพูดดีมากชื่อพี่เะไผมจำไม่ได้พี่ไนกี้หรือคปล่าพี่บอกอ๋อน้องอายุยังน้อยผมก็ยิ่งเอื้องนะครับว่าเขาบอกว่าน้องน่าจะอายุไม่ถึงยี่สิบใช่ไหมคระแต่ว่าเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบเขาสนใจธรรมะอย่างนี้แล้วเหรอเพราะว่าผมยี่สิบใช่ครับเนาะผมยี่สิบนี่ผมไม่สนใจอะไรนะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไร แต่เด็กไม่ถึงยี่สิบสนใจมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับน้องเขาก็มีคําถามที่แบบว่าทําให้ห้องเราตื่นทั้งห้องครับแต่ว่าเราแบบอ๋อน้องเขาคิดแบบนี้อ๋อมันก็แบบว่าก็ทําให้เข้าใจว่าอ๋ออย่างมันเป็นการสะสมครับชาติอ<ะ>่ะสมมุติว่าอย่างตอนนี้เราเราอาจจะเคยกินมะม่วงที่มันเป็นสีเหลืองที่มันสุกแล้วคี้บแต่มันก็มีคนบางคนที่ยังเห็นมะม่วงเป็นสีเขียวมันยังเจียวเราก็ ต, ต, ต้องมันเป็นเรื่องการสะสมนะครับเนาะ มว่าค่อยดูกันไปเนี่ยครับก็สนุกครับเรียนเรียนแบบนี้สนุกผมว่าถ้าเราเข้าใจตรงกันมันก็มีมันเข็นทิศเราไปทางเดียวกันเงี้ยครับเรามีเรามีหัวเรือเราก็คือความไม่ทุกข์เนี่ยผมว่าโอเคครับพ่อพีมีประโยคหนึ่งที่ยมอาพูดถึงว่าเคยรู้สึกแล้วก็ถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรหรือทาเกิดมาทำไมเนาะอันเนี้ยหลวงพ่อเคยได้ยินจาก ครูบาอาจารย์ซึ่งหลวงพ่อทึ่งมากแล้วก็ยอมรับในคําที่ครูบาอาจารย์บอกที่บอกว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อจะรู้ว่าเราไม่ได so, ้เก ну ิดมาโอ้โหคํานี้เลยโยมมันโดนใจมากๆเลยเนี่ยเกิดมาเพื่อจะรู้ว่าเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาโอ้โหมันโดนถึงฟวงแบบโดนใจจริงๆอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องธรรมะเนาะ เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมบอกว่าเกิดมาเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมามันลึกซึ้งจะให้หลวงพอ่อช่วยเลยไหมล่ะหรือว่าต้องให้ปฏิบัติแล้วก็รู้เองแล้วก็มันทาบซึ้งกว่าคือจริงๆที่เราเกิดมาเนาะมันเป็นความเข้าใจผิดว่าเราเกิดมาแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่เรานะะ วันนั้นไอตอนที่เกิดมาใหม่ๆมันมันเป็นความความเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดว่าเราเกิดมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทอดท่านสอ น, น, นเรื่องสังขารเนาะว่าไอที่เกิดมาเนี่ยมันคือสังขารสังขารเกิดขึ้นแล้วก็สังขารเสื่อมไปสังขารดับไปแล้วทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ อ๋องางั้นถ้าเกิดมาเนี่ยก็มามาปรึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าที่แท้เราไม่ได้เกิดมามันก็จบตรงที่ไม่มีเราเกิดแล้วเมื่อไม่มีเราเกิดจากนี้ไปก็จะไม่มีเราตายถูกเพราะเราไม่ได้เกิดเมื่อเราไม่ได้เกิดความตายก็ย่อมไม่เป็นเราไม่เราไม่เกิดเพราะนั้นมันจะจบหลักสูตรตรงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคือไม่มีเรานะ ไม่มีเราเป็นผู้เกิดและไม่มีเราเป็นผู้ตายนั่นแหะคืออมตะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมแท้แล้วก็ทีนี้ถ้าคนก็ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกบอกว่าเอ้าไม่เกิดมาได้ไงนี่ไงเป็นตัวเป็นตนเป็นฉันเป็นเธอก็มองให้หมดที่พระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วว่ามันคือขันธ์ห้าแล้วก็เรียนแต่ละขันธ์ก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้แต่ละขันธ์เนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไหมว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่แสดงว่าเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนการเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็คือนี่ไงสติปัฏฐานเนี่ยเป็นดวงตาในเป็นดวงตาปัญญาเห็นอยู่รู้อยู่ว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงก็โอเคข้อนี้ยอมรับได้ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆแล้วก็ต่อมาพิจารณาอีกว่าเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าในคงตอของปัญจวัคคีย์เพราะว่าตอนนั้นมีการพระพุทธเจ้า สแสดงธรรมเนาะอนัตตลกอนัสูตรถา่ว่าเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก่อนแล้วก็ปัญจวัคคีบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่านะแล้วถามว่ามาแล้วเดี๋ยวหลวงพอ่ออาจจะเรียงไม่ถูกเนาะแต่มีการถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าปัญจวัคคีบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ แล้วก็ถามต่อว่าเอ้าเมื่อมันเป็นทุกข์ควรหรือจะยึดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราปัญจวัตรีบอกว่าไม่ควรพระเจ้าข้าเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็ก็คือเรื่องของสังขารคือขันห้า mm hmm. เกิดแล้วหมดไปเกิดแล้วหมดดับไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นที่เกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เราเกิดหรอย่างยนทั้งหลายเอ้ยน ะ, นะเป็นแค่ <laughs> เหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มีสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ก็ดับไปเพราะนั้นนะที่เกิดมาเกิดมาก็ ตามคำเฉลยอ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าเกิดมาเพื่อจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพราะฉนั้นอันนี้ให้มันเป็นชาติสุดท้ายจะได้ไม่หลงผิดอีกต่อไปใช่ไหมล่ะเนี่ยคนทุกข์ในปัจจุบันได้เนี่ยถ้าเข้าใจแบบเนี้ยผู้มีปัญญาใช่ไหมไม่ต้องคิดสลับซับซ้อนพระพุทธเจ้าบอกทางหมดแล้วว่าทั้งการไม่เลี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีสติปัญญาเห็นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวเนี้ยว่าไม่มีเราจริงๆ เห็นอยู่ตำหน้าตำตาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาทีนี้หลวงพ่อก็จะเฉลยให้อีกว่าถ้ายังมีความรู้สึกนะยังมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่เนี่ยความรู้สึกเป็นอะไรอะ่ะความรู้สึกก็คือสังขารใช่ไหมเออเพราะมันมีแต่สังขารเท่านั้นแหละความรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นสังขารความรู้สึกว่าไม่เป็นเรามันก็เป็นสังขารมันไม่ได้เป็นเราจริงๆมันเป็นสังขารแล้วเดี๋ยวคนนอนหลับมันก็ดับแล้วหรือว่าไปออกกําลังกายไปทำนู่นไปทํางานทํานี่ มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเราหรือไม่มีเรามันก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นสังขารมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปมันไม่มีเราที่แท้จริงหรอกมันเป็นแค่ความคิดความรู้สึกบูงแต่งขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวในขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นแต่สุดท้ายมันดับหายไปแล้วถ้ามันปรากฏใหม่ก็คือเป็นสภาวะอันใหม่เกิดแล้วมันก็ต้องดับอยู่ดีอย่างแรมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับโอ้มีแต่ของเกิดดับ แต่ของไม่เกิดไม่ดับเดี๋ยวไอ้นั้นก็ค่อยคุยกันดีทีมันมันยากแต่เอารู้จักของเกิดดับก่อนที่มีอยู่เฉพาะหน้าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดดับเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะไรหรอกเป็นแค่สังขารตอนนั้นแหละอ่าเนี่ยมันจะง่ายง่ายง่ายง่ายเรื่องความรู้สึกตัวนะเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องสังขารเนี่ยก็คือเรื่องของอยู่ในตัวเรานี่แหละใช่ไหมอยู่ในตัวเนี่ยสังขารหมดเลยร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมความรู้สึกก็อยู่ที่ตัวก็มีสติเห็นอยู่ นะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ถ้าใครดูจิตเป็นนะก็คือไม่ต้องไม่ต้องเพ่งจิตไม่ต้องก้มหัวไปดูจิตอยู่ปกติเนี่ยคุยเป็นปกติเดี๋ยวจิตมีอาการอย่างไรเดี๋ยวมันแทงมันแทงใจเองอ่ะมันแทงเขาเรียกว่ามันเสียแทงให้รู้เองอ่ะเช่นเด็กจิตใจมากแค้นใจมากคุยอะไรจะกูไม่รู้เรื่องสุดลยนั่นแหละมันแทงแล้วมันทิ้งแล้วไงก็รู้รู้แบบ <ปะ S 1> ไม่ต้องเอาหัวมุดก้มไปดูหรอกมันมันรู้เลยใช่ไหมหรือว่า เอาส่วนเวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าหลวงพ่อไปชมใครสักคนหนึ่งเนาะบอกว่าโยมหนิงนี่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เนาะโอยสนใจมากอันนีหยมันรู้สึกดีใจอ่ะไม่ต้องเอาหัวไปก้มดูหรอกพอมันแสดงความดีใจเดี๋ยวก็รู้เองว่าอ๋อมันรู้สึกใจมันทองแล้วมันดีใจแล้วประมาณนเนี้ยเนี่ยรู้ซื่อๆรูง้ง่ายๆแบบเนี้ยไม่ต้องจงใจไม่ต้องเจตนารู้ไม่ต้องแบบพยายามรู้มันปกติโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ทั้งหลายเลยรู้ง่ายจะตายแต่ความสุขรู้ยากหน่อย เพราะว่ามันมันพึงพอใจเนาะความสุขเนาะมันเข้าไปเป็นมันพอใจแต่ถ้าความทุกข์นี่มันทิ่มเลยมันแทงใจอ่ะก็รู้แบบไม่ต้องก้มไปดูไม่ต้องตั้งใจรู้ไม่ต้องพยายามรู้ไม่ต้องอะไรหมดเลยแล้วก็รู้แล้วพอรู้ไปรู้มามันก็จะรู้ว่าอ๋อมันจางคลายแล้วมันจางคลายแล้วมันก็ดับแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นสิ่งเกิดดับมันก็วนๆอย่างเนี้ยถึงเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงดังนั้นเราปฏิบัติธรรมนะอย่า อย่าเข้าใจผิดนะนึกว่าปฏิบัติแล้วจิตจะนิ่งจิตจะดีจิตจะเ อ, อไม่มีความคิดจิตจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันแล้วแต่เหตุถ้ามีเหตุให้มีโลภโกรธหลงมันก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่รู้สิ่งที่เกิดนั่นแหละมันเกิดก็รู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับให้ดูอีกว่าเออมันเกิดแล้วมันดับก็เนี่ยมาเรียนรู้เรื่องเกิดเรื่องดับนี่แหละมันไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกอแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่า ต้องได้อะไรหรือต้องเสียอะไรเพราะว่ามันไม่มีเราหรอกแต่ที่มันอยากได้ขึ้นมาน่าแสดงว่ามันมีตัวตัวตนขึ้นมาแล้วมีตัวเราเราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่แต่ถ้าเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับแล้วไม่มีตัวตนเนี่ยความอยากก็ไม่มีก็มีแต่สิ่งเกิดดับเท่านั้นแหละที่มีะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับแล้วก็ความอยากมันก็ดับสิ้นเพราะว่าไม่รู้จะอยากอะไรเพราะว่าถึงอยากมันได้มามันก็ดับอยู่ดีใช่ไหมเจนได้ความสุข ทำสมาธิได้มีความสุขถึงได้มาเออไม่ไม่เกินไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันสลับด้านสลับหน้าไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้ในปัจจุบันขณะว่ามีอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแค่รู้แค่รู้อย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่ารู้ซื่อซืรู้ซื่อซื่อคือมันรู้รู้ได้ใจรู้รู้ออกมาจากใจโดยที่ว่าเราไม่ต้องเป็นผู้รู้ซื่อหรอก มันรู้ของมันได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่ง ม, มันลองทําเป็นไม่รู้ก็ได้ค่ะสมมติว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นแล้วเราเนี่ยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อันี้ไม่ควนหรอกถึงข่าวรู้มันก็ต้องรู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มันทําหน้าที่ของมันเนาะไอสิ่งที่เกิดดับก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไอธรรมชาติรู้ก็รู้ของมันไปก็เป็นเรื่องของมันหมดไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่มีอยู่มีคําถามเรื่องการปฏิบัตินะครับ คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยแรกแรเราก็ได้สิบห้านาทีสาสิบนาทีสี่สิบ้านาทีอะไรประมาณนี้แล้วล่าสุดเนี่ยผมนั่งได้สองชั่วโมงแต่นักขณะที่เข้ามาในคลับเนี่ยก็ฟังหลายๆท่านที่เหมือนกับมีความตั้งใจในการจัดนั่งให้ให้นานมากขึ้นมันเหมือนกับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ว่าพอเนี่ยมันแค่ไหนเพราะว่าพอเราสองชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเลยไปให้ได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น สภาวะที่มากกว่านั้นว่าถ้าเกิดเรามีความเพียรมากกว่านั้นเราเข้าถึงความสมุงบมากกว่านั้นและเราจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงมันก็เหมายถึงการเดินทางอะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แค่ไหนที่เรียกว่าพอประมาณเนี่ยครับก็จะขอคาแนะนําครับผมนี้เบื้องต้นหลวงพ่อบอกอย่างนี้ก่อนนะการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าเอาตัวเราไปปฏิบัติคือมีตัวมีตนเนาะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็เมื่อมีตัวมี ต, มตนเนี่ย ถ้าไม่รู้ตัวว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยถึงปฏิบัตินานเท่าไหร่มันก็ยังก็ได้แต่ก็เรียกว่าได้แต่เราไปปฏิบัติแล้วก็เมื่อปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นอย่างไงเราก็ไปรับผลเช่นปฏิบัติได้นานสองชั่วโมงสมชั่วโมงอะไรกัแล้วแต่มันยึดมาเป็นเราหมดเลยว่าเราปฏิบัติได้เท่านั้นเท่านี้ตรงเนี้มันเป็นอัตตาทีนี้ถ้าเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นก็คือว่า เวลาไปนั่งเนี่ยก็คือร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นก็ให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนถึงว่าเข้าใจไม่ถึงใจแต่ก็ทําความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือทําเห็นทําความเห็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไอ้ผู้ที่ไปนั่งเนี่ยจริงๆรอ่ะรวมไปแล้วก็คือขันทังห้านั่นแหละมันเป็นปุ่มก้อนอยู่เนาะแล้วก็ไปอยู่ในอาการอย่างนั้นก็คือไปนั่งเอาขาทับ วา่าไอ้ตามรูปแบบที่ที่นั่งกันแหละแต่ก็ให้มีสติเห็นอยู่ว่าให้มีสตินะคือให้เห็นอยู่ว่าตอนเนี้ยร่างกายเนี่ยมันจัดท่าแบบไหนมันจัดยังไงคือให้รับรู้ถึงการกระทํานะให้รับรู้ถึงกิริยาของกายว่าเออมันจัดอย่างนั้นอย่างนี้นีน่ตอนนี้เขาเรียกว่าเรื่องฝึกสติแล้วนะจริงๆมันเริ่มมาตั้งก่อนหน้านี้แต่หลวงพ่อเริ่มบอกว่าการฝึกสตินี้คือฝุดได้ตลอดเวลาฝึก ต, ตั้งแต่ตั้งแต่อ่าเริ่มนึกได้ว่าตอนเนี้ย เออมีสติแล้วก็เริ่มนึกได้แล้วก็ฝึกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่ไปนั่งอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยต้องให้มีสติเห็นกายแล้วกายกายกายหยาบเนี่ยนะกายที่เป็นวิญญาเนี่ยก็รับรู้ได้แล้วก็หรืออาจจะเห็นกายลมก็ได้ที่มันหายใจจริงๆมันหายใจตั้งแต่ก่อนไปนั่งแล้วเนาะแล้วก็รู้มันแล้วก็สังเกตมันอย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกสติส่วนเรื่องนานไม่นานเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่สาระสําคัญหรอกเพราะว่าบางคนฝึกนานแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกตัวมีแต่ความคิดฟุ้งซ้านมีแต่อะไรก็รู้คือรู้ตัวไม่เป็นรู้ตัวไม่ได้อย่างนี้เท่ากับว่ายัางไม่ได้เข้าทางเลืองของเรื่องของการฝึกสติเลยเนาะเพราะว่ามันมีจุดเป้าหมายคือจะฝึกให้ได้เท่านั้นเท่านี้นานอะไรต่างๆแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าต้องฝึกนานเท่าไหร่จริงๆเรื่องการฝึกนี่เนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านานหรือไม่นานเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกตัวได้ไหมรู้กายรู้ใจของตนได้ไหมว่า กายมันมันเคลื่อนไหวยังไงกายมันมีในกายมีความเจ็บมีความปวดยังไงหรือว่าจิตใจมันมีความรู้สึกนึกคิดมันอยากได้หรือว่ามันมีข้อสงสัยยังไงก็ให้รู้ให้ดูในอาการเหล่าเนี้ตามที่มันปรากฏในขณะปัจจุบันนั้นๆอย่างนี้จึงเรียกว่าฝึกสติเนาะส่วนว่าจะฝึกกันนานเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันมันบอกให้กันไม่ได้แต่ต้องมันเป็นปัจจตังก็คือว่ารู้ด้วยตนเองว่าอ๋อที่เรา รู้ด้วยตนเองก็คือว่าเป็นปัญญาเนาะเป็นปัญญาเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมานี่เนาะมันเข้าใจผิดหมดเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้ฝึกแต่บัดนี้รู้ว่ามันไม่มีตัวเรานี่จะเดินจะนั่งมันก็ไม่ได้มีเรามันไม่ได้เป็นเราความรู้สึกทางจิตทางใจชอบไม่ชอบดออีโล่งโปรง่งเบาสบายอ๋อมันก็ไม่เป็นเรามันเป็นแค่สิ่งที่กาลังปรากฏถ้ารู้อย่างเงี้ย ถ้ารู้อย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งชนิดที่ไม่หลงไปยึดถือมาเป็นตัวตนแล้วเนาะแจ่มแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องฝึกแล้วเพราะว่ามันไม่มีเราเป็นผู้ฝึกแต่กิริยาท่าทางยังมีเหมือนเดิมคือยังมีนั่งมีนอนยังมีความรู้สึกนึกคิดยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นยังมีอยู่ประมาณนั้นนะเพราะยังเป็นขันธ์ห้ายังทํางานอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นปัญญาคือเข้าใจถูกต้องแล้วว่าทุกกิริยาอาการ มันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏและก็หมดไปไม่มีตัวเราในสิ่งนั้นเมื่อไม่มีตัวเรานั่นหละถ้ากับว่าเลิกการปฏิบัติเพราะไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเหลือแต่สังขารมันทํางานของมันเองแล้วก็เห็นอยู่รู้อยู่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรแล้วแค่นั้นแล้วก็นั้นแหะถึงจบจริงๆว่าไม่ต้องฝึกแล้วเพราะมีปัญญาแจ่มแจ้งว่าไม่มีผู้ฝึกเห็นใจไห ครับเป็นที่อย่างที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดเลยครับแต่ผิดตรงที่ว่าไปยึดติดในความเป็นตัวตน ต, ตัวเราเนี่ยครับเข้าใจเลยครับขอบคุณครับนี่หลวงพ่อขยายอีกนิดนทําไมจึงรู้สึกว่าเป็นตัวเราเพราะไม่รู้ตัวคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนนะรู้สึกตัวในตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขั้นหยาบหยาบแต่ขั้นละเอียดเนี่ยบางทีก็ยังรู้สึกตัวให้เป็น เพราะนั่นคำว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันรู้ว่าความหมายของมันเนี่ยอินลึกตั้งแต่คือความหมายของมันเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยข้ามกลางและก็ถึงที่สุดนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันอยู่ในระดับอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยมันเป็นคารวมๆเนาะเราก็เออเราไม่รู้ว่ามันมีความละเอียดหรืออะไรแค่ไหนยังไงเพราะว่าในเวลาปฏิบัติธรรมขั้นสูงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยแต่เราก็บอก ก็รู้อยู่นะเนี่ยท่านก็บอกว่ายังไม่รู้สึกตัออกวพอเป็นขั้นนี้ปั๊กเนี่ยมันก็จนกว่าท่านจะชี้และยกตัวอย่างจนเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาว่าออโอ้เนาะไม่รู้สึกเลยไม่รู้ตัวเลยว่ามันยังมีเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อย่างคํานี้นาโยมเออเนี่ยให้ไปข้อพิจารณานะําที่หลวงพ่อพูดคําว่าเรารู้กับรู้เราตรงเนี่ยมัน ไอ้รู้เราเนี่ยไอ้ขั้นละเอียดเนี่ยมันรู้ไม่ได้เลยนะนอกจากมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีกัรระยานกันระยานยน้ำมิดที่เขาผ่านมาแล้วเขาชี้ให้เราว่าเออเราอะนะได้แต่ เ, ออเราอะเหมือนกับว่ามีแต่เรารู้แต่รู้เราขั้นเนี้ยยังยังรู้ไม่เป็นโอ้โหตรงนี้มันลึกซึ้งยอทีนี้ถ้า หลวงพ่อก็คุยไปเรื่อยนะบางทีตั้งแต่ระดับต้นระดับกลาง ร, ระดับขั้นสูงเนี่ยเพราะว่าเวลาคนฟังมันก็มีหลายระดับเนาะบางทีเราก็รู้ว่าเออในกลุ่มเนี้ยอาจจะมีคนที่ติดอยู่ในขั้นสูงแต่ว่ามันหลุดไม่ได้พอหลุดไม่ได้ก็ลองพูดให้หน่อยที่เขาอาจจะเก็ตแล้วก็เข้าใจหลุดพ่งขึ้นมาก็ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเนียสมมตินะสมมติตืออ่นมาเช้าเขาพูดไปแล้วนี่ยสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติธรรมมานานเนาะจนสามารถ รู้เห็นแจ่มแจ้งในเรื่องของความเป็นไตรักณ์อ น, นี้จำทุกข์างอนัตตาหลวงพ่อ ร, รู้หมดแล้วเพราะผ่านการปฏิบัติแล้วก็เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นมาหมดแล้วแต่สิ่งที่หลวงพ่อไม่เห็นก็คือว่าหลวงพ่อไม่รู้เลยว่าที่บอกว่าเห็นไตรักณ์หมดแล้วอ่ะที่หลวงพ่อมีความรู้ถึงขั้นที่ว่ารู้แจ้งในเรื่องไตรักษณ่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อยังไม่เห็นคือไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้รู้ โอ้โหคำนี้พออาจารย์ชี้เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยยังเป็นผู้รู้อยู่เลยมันต้องทําลายผู้รู้ด้วยนะก่อนแรกก็ไม่เข้าใจอาาจรย์ก็คุยไปเรื่อยๆสุดท้ายยอมรับว่าโอ้ยังมีเราเป็นผู้รู้นี่เรารู้แจง้งและเรายังสามารถยังอธิบายในหะ้คนอื่นอย่างละเอียดละออโอ้นี่มันมีตัวตนมีตัวเราเป็นผู้รู้แต่พอกลับมาย้อนเข้ามาว่าไอเราผู้รู้นี่โถจริงๆมันก็คือสังขาร ทำไมเรียกว่าสังขารเพราะไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยยังต้องแก่ต้องเจ็บและสุดท้ายก็ถือตายเพราะฉะนั้นตัวเราที่มีความรู้เรื่องไตรลักษณ์เรื่องธรรมะละเอียดละอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวปลอมเป็นตัวที่รู้ปลอมถ้ารู้จริงมันต้องไม่ตายแต่อันนี้รู้ปลอมก็คือตายตายเลยตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้ตายหมดโอมันยังรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงมันต้องไม่ตายโอพอเป็นขั้นนี้ปับ๊บมัน มันปล่อยเลยปล่อยวางก็คือปล่อยวางไอ้ผู้รู้เนี่ยว่าอ๋อมันก็เป็นสังขารมันเป็นสิ่งเกิดดับยึดถือไม่ได้โอ้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปล่อยหมดทิ้งหมดก็ต้องทิ้งแต่มันมีเหตุหอัศจรจังใจตรงไหนตรงที่ว่าพวกผู้รู้เนี่ยว่าไอ้ตัวเราเป็นผู้รู้มันจึงมีรู้อีกรู้หนึ่งที่มารู้เราที่เป็นผู้รู้ไอ้รู้ที่มารู้เรานั่นแหละอันนั้นแหละเป็นรู้จริงรู้ที่ไม่ตาย แล้วไม่เกิดด้วยเพราะไม่ปรากฏตัวผู้รู้ผู้รู้ที่มารู้เรานี่แหละเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏตัวนะเมื่อไม่ปรากฏตัวเท่ากับว่ามันไม่ได้เกิดมาให้ใครเห็นมันจึงไม่ต้องตายมันจึงเป็นรู้ที่สะอาดสว่างสงบเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่พ้นจากความปรุงแต่งแล้วรู้นั้นก็ไม่ใช่สังขารรู้นั้นเป็นวิสังขารในทางธรรมะปุบ า, ารย์ตั้งชื่อผู้รู้อันนั้นว่า เป็นจิตเดิมแท้บ้างจิตนัดด่งหางธรรมชาติบ้างนิพพานธาตุบ้างสารพัดจะตั้งชื่อแต่คนนุณสมบัติอย่างเดียวก็คือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและเป็นธรรมชาติที่ไม่ดับตรงนี้เลยเข้าใจถึงสัตยธรรมสูงสุดว่าสัตยธรรมสูงสุดก็คือรู้นั่นเองรู้รู้อะไรรู้ตัวเราตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ นะตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ก็เป็นของไม่เที่ยงว่าเกิดดับแต่รู้อันนั้นเนี่ยเป็นรู้ชั้นที่ว่าอยู่เหนือโลกแล้วอยู่เหนือความเกิดดับนะรู้อันนั้นแหละคือนิพพานธาพอเข้าใจแค่นี้เลยจบม้วนเลยก็คือเข้าใจได้เลยว่าที่แท้เนี่ยมาพบสัจธรรมสูงสุดคือธรรมชาติรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆเลยว่ามันไม่ใช่เรา เอกที่ไม่ใช่เราก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายึดถือตัวเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมแต่ธรรมชาติอันนั้นเพิ่งมารู้จักมันจึงไม่ใช่เราพอเป็นแค่นี้เสร็จแล้ว ก, ก็มันก็แค่นี้แหละมีธรรมชาตินี้ถ้าพูดแล้วนะมันเป็นธรรมชาติสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่เกิดดับหรือประเภทปุงแต่งแต่ประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมชาติที่ไม่ปุงแต่งหรือจะเรียกภาษาในทางธรรมก็เรียกว่าสังขารกับวิสังขาร สังขารก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่วิสังขารไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดแล้วย่อมไม่มีการดับมันก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจบลงตรงที่ว่าให้รู้จักธรรมชาติสองสิ่งเนี่ยก็พอเพียงพอแล้วมัทนทุกข์ได้เพราะรู้ว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งเกิดดับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายทุกข์แต่ธรรมชาติที่พ้นไปจากความเกิดดับนะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นนิพพาน คือไม่มีอะไรทุกก็ไม่มีสุขก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีมีแต่ความเป็นความไม่มีแต่มันมีมีแบบไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คิดว่าคงมีคนที่มีปัญญาสามารถต่อยอดนะว่าหลวงพ่อต่อยอดให้แล้วก็าสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนแต่ถ้ายัางไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้เรื่องสิ่งที่เกิดที่ดับไปก่อนมีสติรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องพิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ สุดท้ายก็จะเข้าใจในที่สุดเมื่อสะสมประสบการณ์สะสมปัญญาจากการได้ยินได้ฟังก็เห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นเป็นปัจจิตังนะเห็นเองนะอแต่คําว่าเห็นเองก็ไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นผู้เห็นแต่มันมีธรรมชาติที่เห็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราะว่าธรรมชาติเห็นก็มีธรรมชาติถูกเห็นก็มีมันก็ครบหมดทุกอยรวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเนี่ยไม่มีตัวเราในใน ในสังขารที่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราในสิ่งที่ไม่ใช่ถึงไม่ไม่มีตัวเราในธรรมชาติที่เกิดดับไม่มีตัวเราในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีเราทั้งสองภาคนี้แต่มีแต่ธรรมชาติสองประเภทแค่นั้นเองนักอภีเให้คุยให้ถามต่อครับก็เข้าใจมากขึ้นว่าการปฏิบัติบาง ท, ทีเราก็ไปยึดติดเกิกว่าเป็นตัวตนก็อย่างที่หลวงพ่อว่านะครับก็ ก็แค่มีสติรู้ตัวไปแล้วก็ฝึกใหม่โดยที่อย่าเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องก็ก็เข้าใจมากขึ้นครับขอบคุณครับผมผมถามคุณพุทธิพงษ์แทนไหมครับหรือจะสอบครับครับจะสอบถามนั่งสมาธิสองชั่วโมงนะครับระหว่างนั่งเป็นไงบ้างครับแล้วก็นั่งเสร็จแล้วออกจากสมาธิแล้วเป็นไงบ้างครับพอพอดแชร์ประสบการณ์ใหฝัังได้ไหมครับ ก็ได้เห็นเวทนาของตัวเองพอหลังจากจบแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่านเวทนานั้นได้โดยที่ไม่ได้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกิดความขุ่นข้องหงองใจในขณะที่เรารู้รู้เห็นความเจ็บปวดมันเหมือนกับพอเราปล่อยวางได้แล้วก็รู้สึกดีปิติแล้วก็ภูมิใจครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นผมคิดว่ามันมันคือเรื่องของการเข้าไปยึดติดไอ้ภาวะา น, นั้นนะครับ พอได้แต่เรายึดติดภาวะนั้นมันก็เหมือนกันเราก็เข้าไปติดในกิเลสตัวหนึ่งนะครับด้วยความรู้สึกของผมนะครับครับประมาณนี้ครับขออนุญาตถามนิดทุณผูมสองชั่วโมงนี้มันไม่สงบเลยแหละครับมัเจะเตลเวทนาแหละครับก็มันก็จะมีความคิดดีไม่ดีเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเราก็แค่รู้รับรู้ว่าความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างแค่นั้นพอเราปล่อยไปความคิดใหม่มก็จะเข้ามาก็ประมาณนี้ครับมันไม่ได้สงบไปทั้งสองชั่วโมงนะครับ แค่รู้รู้ตัวครับผมครับข้อคุณค่ะใช่ครับทุค่ะสวัสดีนะมีการพูดคุยสอบถามที่นี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องความสงบที่แท้จริงสงบที่พระพุทเจ้าคนพบมาว่าอันไหนที่เรียกว่าสงบที่แท้จริงคือเป็นอย่างนี้เนาะเวลาเราทําสมาธิก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะมันจะมีอาการต่างๆที่เรียกว่าเกิดขึ้นในในใจหรือว่าจะเกิดขึ้นในจิตก็ได้ อาการเช่นตอนแรกก็อาจจะเรียกว่าฟุ้งซ่านเนาะอาจจะมีความคิดเยอะแยะฟุ้งซ่านหรือเกิดความรํารำคาญใจเกิดความหมงุดหงิดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาการทั้งหมดนะฟุ้งซ่านราคาญใจหงุดหงิดหรือลังเลสงสัยอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นพวกนี้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีแต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงปั๊บมันจะเปลี่ยนยังไงจากฟุ้งซ่านก็เริ่มค่อยๆสงบลง สงบลงและก็มีความสุขมากขึ้นมีปิติมีอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เค้าเลี้ยวมันเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนเนี่ยอาการพวกนูน้นความกุ้งข้านมันก็ต้องหายไปเนาะแล้วก็มีสิ่งอื่นขึ้นมาแทนเป็นความสุขเป็นความเบาโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการและก็ยังเป็นความไม่เที่ยงอยู่ดีแล้วก็พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอาจจะร่างกายปวดเมื่อยแล้วก็เอาเกิดอาการแบบหดหดแล้วแล้วก็ความคิดกุ้งข้ามแบบ อยากจะทําต่อหรืออยากจะเลิกมันก็เสียงกันเองเนาะอันเนี้ยเริ่มปรุงแต่งอีกแล้วเริ่มไม่ส ง, งบอีกแล้วแล้วก็พอทาไปสักพักหนึงสมมติมันผ่านเอ้าเดี๋ยวมันก็ส ง, งบอีกแล้วรู้สึกว่าฟุ้งซ่านก็หายไปแล้วตรงเนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้ยังเกิดดับยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะแต่ความส ง, งบที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งก็คือรู้รู้นั่นแหละเป็นความส ง, งบอย่างยิ่งหมายความว่ามันจะฟุ้งซ่านก็รู้มันจะหงุดหงิดก็รู้ มันจะโล่งโปร่งเบาสบายก็รู้มันจะเป็นอย่างไงก็รู้แต่รู้เนี่ยได้แต่รู้ได้สักแต่รู้ไม่เข้าไปเป็นกับอาการรู้นี่แหละคือความสงบอย่างยิ่งถ้าพูดง่ายๆนะให้ลองเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยนะสมมติว่าวเรานี่นะอยู่ในท่ามกลางของสงครามนะสงครามก็คือเขารบเขาฆ่ากันเขายิงปืนปุ้งปังปุ้งปั้งเนาะ แต่เราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ทําสงครามด้วยเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเหตุการณ์การสงครามเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นแต่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้อะไรทั้งหมดคือได้แต่รู้ได้แต่เห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้หรือว่าเห็นอย่างสงบนะก็เหมือนกับในจิตนี่แหละจิตเนี่ยธรรมชาติรู้นี่นะบางทีเขาเรียกว่าจิตนะเออจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดได้แต่รู้ รู้อะไรก็หมายความว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่มันล้อมรอบตัวใจตัวจิตนี่แหละแต่จิตเนี่ยไม่ได้หวันไหวด้วยได้แต่รู้อยู่เออเพราะฉะนั้นความสงบแท้จริงก็คือที่รู้ตื่นเบิกบานนะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไ อ, อ้ใจไม่ได้หวันไหวแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวใจต่างหากที่หวันไหวกับเพื่มมีเหตุการณ์ปุ้งซานบั้งสงบบัางไม่รู้ก็แล้วแต่ ตอนนั้นถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้เราก็จะแยกเป็นว่าอ๋อความสงบที่แท้จริงคือรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งที่ปรากฏรอบแต่ไม่ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันวุ่นวายอะได้แต่รู้แจ้งเห็นแจ้งรู้จริงแล้วรู้แล้วไม่พูดสักคำมันไม่บ่นสักคำได้แต่รู้อยู่อย่งนงยี้นี่คือความสงบที่แท้จริงขออนุญาตแชร์เรื่องจิดสุขหน่อยนะครับ คือเมื่อก่อนนี้เนะี่ยเคยนั่งแล้วน้าตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ภาวะนี่แหละคือมันเป็นความรู้สึกที่สุขที่สุดในโลกที่เคยได้รับมาแล้วเราก็ติดภาวะนั้นมาเป็นแบบทุกครั้งของการนั่งนะเราก็อยากแค่ได้ภาวะนั้นมันก็เลยทําให้เราหลงแล้วก็เป็นติดอยู่ในภาวะดังกล่าวเนี่ยครับเป็นปีเลยครับทุกครั้งของการนั่งหรือว่าการไปเข้าคอร์สเนี่ยพอเกิดพอไปปุ๊บมันก็เหมือนกับจ่ายทิศานว่าแบบขอให้เกิดภาวะนี้ขอให้เกิดภาวะนี้ แล้วพอมันเกิดเราไปจะรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเราลงในภาวานี้ไปเป็นปีๆแล้วครับซึ่งเมื่อกี้ที่คุณเรนเนิ่งถามอะครับว่านั่งแล้วไม่สงบบ้างเหรอหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าพอเราประสบกับภาวะนี้แล้วเรารู้โทษของมันแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่ในภาวะนี้อะครับขอบคุณครับถูกต้องแหละเพราะว่าความสงบก็ไม่เที่ยงถ้าลองไปยืดตีติแล้วพอแล้วมันนะมันจะ มันเป็นทุกข์มากเพราะว่ามันอยากจะได้คืนแต่เนื่องจากว่ า, วาความสงบความที่โยมว่าเนาะมันเป็นของไม่เที่ยงไงมันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ทีนี้ถ้ามีปัญญารู้ตามความเป็นจริงก็คือต่อไปเนี่ยสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดสงบเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีความไม่สงบเกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายเพียงแต่รู้ไว้กิจที่ได้ใจที่เป็นกลางอันนี้ยคือมันจะออกจากทุกข์ได้ออกเป็นความพ้นทุกข์ได้ มันจะไม่รู้จักพอครับมันก็พอสุขแล้วก็อยากได้อีกได้อีกอะครับประมาณ น, นความอยากได้นี่ก็พลังเมื่อไหรก็เป็นทุกทันทีเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมคือมันต้องหมดความอยากเพราะว่าความอยากก็เป็นตันหาอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจริงเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมมันมีประสบการณ์เนี่ยมันสอนเราหลวงพ่อก็มีไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องประสบการณ์ไอ้ที่ว่าเออเมื่อก่อนเราเป็นคนคิดมากเนาะมีความทุกข์ คือไม่อยากให้มันคิดเปลียดความคิดแล้วก็มันก็คิดไม่เลิกแต่เราก็ยิ่งเปลียดมันก็ยิ่งทุกเบิ้ลเข้าไปแต่พอมาฝึกเรื่องความรู้สึกตัวแนวหลวงพ่อเทียนนะยุคหนูสิบสจังหวะเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยแทนที่มันจะคิดมันก็กลับมารู้กายเคลื่อนไหวเห็นไหมมันเปลี่ยนนะจากคิดมาเป็นรู้ความคิดก็เลยน้อยลงพอคิดน้อยลงความสงบก็เพิ่มขึ้นพอความสงบเพิ่มขึ้นมันก็พอใจในความสงบพอใจในความสุขที่ตนได้รับ ในขั้นนี้มันเป็นขั้นแค่พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับมาเพราะไม่เคยเจอแล้วก็พอใจอยู่กับสิ่เนี้ยนานปัญญายังไม่เกิดเลยนะได้แค่รู้อย่างเดียวว่าตอนเนี้เราเราเร า, เรามีความสุขแล้วเราทุกน้อยลงแล้วเราไม่ค่อยทุกข์แล้วเราไม่ค่อยคิดมากแล้วยัง ม, มีตัวเราอยู่นะฮะแล้วก็จนกว่านู่นน่อต้องฟังธรรมะและต้องปฏิบัติเยอะๆฟังหลวงพ่อปราโมทฟังโวตคูตหลายคูบาหลายคูบาอาจารย์ ท่านบอกระวังนะจะไปติดนะไอ้เราก็บอกอน้องก็มันมีความสุขดีอยู่แล้วท่านทําไมท่านห้ามวะอย่าติดคือเราไม่รู้ไงประสบการณ์ไม่พอท่านก็บอกว่าเอาต่อไปเดินปัญญาเนาะให้เห็นความจริงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสงบตลอดทั้งวนันทั้งคืนหรือเปล่าถ้ามันสงบทั้งวนันทั้งคืนจนะแสดงว่าผิดปกติแต่ถ้าถูกต้องอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนคือสงบบ้างไม่สงบบ้างหลวงพ่อเขสังเกตความจริงทีเนี้ย เออใช่เนาะมันไม่ได้สงบตลอดนี่บางวันก็มันมีหงุดหงิดแทรกอยู่บ้างมันก็มีอยู่เอ้าเออใช่ก็เลยเห็นถึงความเกิดดับได้พอเข้าใจเรื่องความเกิดดับก็ต่อไปก็เจริญปัญญาก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รับรู้มันเปลี่ยนยังไงก็รู้รู้รู้ก็ใช้สติปัญญาเนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยก็สังเกตก็จะเห็นว่าเออมันเกิดดับจริงแล้วก็พอท่านสอนเรื่องเทศเทศให้ฟังต่อในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือให้ปล่อยวางท่านก็บอกว่าแค่รู้แค่นั้นแหละ อย่าไปหลงยึดถืออย่าไปหลงอะไรมันก็คือแก้รู้มันผ่านมาอย่างไรก็รู้ตามที่มันมีรู้ที่ตั้งมันปรากฏท่านก็บอกว่าเออเ น, นี่ยรู้ซื่อแบบนี้แหละเนี่ยคือมันได้ประสบการณ์จากตัณหานิมิตจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเรารู้ไม่ได้หรอกแชร์นในส่วนที่เป็นของหลวงพ่อให้ให้ญาติโยมฟัง